วันเสาร์ที่4พฤศจิกายน2538้อของการบรรยายความรู้ในหัวข้อว่าด้วยปริญญาปัญญาโดยท่านอาจารย์สุเทพโพธิสัตธาบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วใครขอเรียนเชิญอาจารย์ได้บรรยายในหัวข้อดังกล่าวสืบต่อจากคราวที่แล้วเรียนเชิญอาจารย์ค่ะ พระคุณเจ้าที่เคารพท่านสาธุชนผู้ใครทธรรมตั้งหลายการบรรยายในครั้งนี้จะใช้เอกสารชุดที่สิบและต่อด้ดยชุดที่สิบเอ็ดเอกสารชุดที่สิบที่เราได้พูดค้างไวผมจะจับความอธิบายในครั้งนี้ที่หน้าห้าประเด็นที่เก้าขอให้ท่านเปิดเอกสารชุดที่สิบหน้าห้า ก็จะพบประเด็นที่9ก้ซึ่งเป็นข้อความที่ได้คัดมาจากคำภีซึ่งจะเป็นการอธิบายในเชิงหลักฐานไปด้วยเพราะเหตุวา่าเรื่องการเห็นความเกิดดับเนี่ยเราส่วนมากจะสงสัยว่าเห็นความเกิดดับนั้นหมายถึงความเห็นความเกิดดับอย่างไรที่เรียกว่าเห็นความเกิดดับคือเห็น สามารถเห็นได้โดยขณะหรือไม่หรือว่าเห็นความเกิดดับในชั้นหยับหยาบเห็นว่ายกเท้าเป็นเกิดเหยียบเท้าเป็นดับท้องพองเป็นเกิดท้องยุบเป็นดับเออย่างนี้เรียกว่าเป็นลักษณะของการเห็นโดยหยับหยาบจากหลักฐานนั้นก็ได้ยืนยันแน่ชัดว่าการเห็นความเกิดดับนั้นสามารถเห็นได้โดยขณะยานที่สามารถเห็นได้โดยขณะนั้นก็คือยานที่สี่ ที่ชื่อว่าอุทยพยานขณะหมายถึงขณะแห่งจิตก็ตามขณะแห่งรูปก็ตามซึ่งประกอบด้วยขณะเล็กคือขณะเกิดนับเป็นอุปาทาขณะขณะตั้งอยู่เป็นขณะตรงกลางแล้วก็พังค่าขณะเป็นขณะดับซึ่งเป็นขณะละเอียดมากอันนี้เป็นหลักฐานยืนยันว่าสามารถเห็นได้โดยขณะอย่างนั้น ขอให้ดูในเนื้อความที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าการเห็นความเกิดดับในยานที่สี่เนี่ยเห็นอย่างไรข้อความตรงนี้ว่าเมื่อผู้เจริญวิปัสสนาอย่างนี้เห็นความเกิดและความเสื่อมอย่างพิสดารโดยปัจจัยและโดยลักษณะว่าหนึ่งความเกิดแห่งรูปเป็นต้นอย่างนี้ ความเสื่อมอย่างนี้ที่ใช้คาว่ารูปเป็นต้นเพราะหมายความว่าเห็นความเกิดของรูปด้วยของเวทนาก็ได้หรือโดยย่ อ, อ ก, ก็คือรูปนามนั่นเองแล้วก็สองความรูปเป็นต้นเกิดขึ้นอย่างนี้เสื่อมไปอย่างนี้ยานว่าในว่าธรรมเหล่านี้ไม่มีแล้วมีมีแล้วเสื่อมดังนี้เป็นยานบริสุทธิ์กว่า ความหมายถึงขวาเห็นโดยสังเกตรประเภทแห่งสัจจะปฏิจจสมุปบาทในและลักษณะย่อมปรากฏสัจจะอันหนึ่งปฏิจจสมุปบาทอันหนึ่งในอันหนึ่งลักษณะอันหนึ่งอันนี้จะมีความอธิบายความหมายต่อไปในเอกสารชุดที่สิบเอ็ดก่อนอื่นนั้นเรามาย้ำ ให้ชัดเจนว่าการเห็นความเกิดดับในยานที่สี่เนี่ยมีอยู่สองระยะระยะแรกเรียกว่าเป็นระยะสังเขปสังเขปก็คือเห็นอย่างย่อระยะที่สองเรียกว่าเห็นอย่างพิสดารอย่างพิสดารแปลว่าเห็นละเอียดยิ่งขึ้น คำว่าเห็นอย่างย่อหรืออย่างสังเขปนั้นคือเห็นอย่างไรสรุปได้อย่างนี้ครับคือเห็นความเกิดโดยขณะความดับโดยขณะของรูปนามปัจจุบันประการแรกนะประการที่สองเห็นความเกิดว่าก่อนเกิดเนี่ย ไม่มีนามรูปนี้มาก่อนและเห็นความดับว่าหลังจากนามรูปดับแล้วก็ไม่มีรูปนามนั้นอีกเลยผมได้เคยย้ำไปแล้วว่าที่ว่าก่อนเกิดนามรูปนั้นไม่เคยเกิดมาก่อนเนี่ยหมายความว่า ไม่เคยเกิดในสภาพนั้นร้อยเปอร์เซ็นตมาก่อนเลยก็ง่ายๆก็คือว่าความโกรธของเราที่โกรธในขณะนี้ความโกรธนี้ไม่เคยโกรธมาก่อนในสภาพอย่างนี้เลยเต็มร้อยเปอร์เซ็นและเมื่อความโกรธนั้นดับไปแล้วความโกรธนั้นก็จะไม่กลับมาเกิดอีกเลยในสภาพอย่างนั้น ร้อยรความโกรธที่โกรธขึ้นหลังจากนี้เป็นความโกรธอีกอันหนึ่งที่ไม่เคยเกิดมาก่อนและเมื่อความโกรธอันนั้นดับไปก็ดับไปจริงๆไม่ไปซุกซ่อนอยู่ที่ไหนเพื่อจะกลับมาเกิดอีกนี่เป็นการกล่าวโดยเด็ดขาดว่านามรูปดับดับเด็ดขาดนามรูป เมื่อยังไม่เกิดก็ไม่เคยเกิดมาเลยอย่างเด็ดขาดในสภาพนั้นเป็นอารมณ์วิปัสนาในขั้นยานที่สี่เห็นอย่างสังเขตนี่ยจึงกล่าวผูกพันอยู่เฉพาะการเห็นโดยขณะนะฮะสรุปง่ายๆอย่างนี้ครับการเห็นอย่างสังเขตนั้นคือเห็นโดยขณะอย่างเดียวยังไม่เห็นโดยปัจจัย เรียกว่าเป็นการเห็นอย่างสังเกตการเห็นโดยปัจัยนั้นเป็นการเห็นเพิ่มเติมจากการเห็นโดยขณะจัดเป็นการเห็นอย่างพิสดารดังนั้นในนี้ท่านจึงได้กล่าวว่าการเห็นอย่างพิสดารนั้นคือเห็นโดยปัจัจด้วยและโดยลักษณะด้วยทั้งสองอย่างไปด้วยกันในบทอธิบายที่ท่านได้กล่าวว่าในข้อหนึ่งเนี่ยนะฮะว่าความเกิดแห่งรูป เป็นต้นอย่างนี้ความเสื่อมอย่างนี้คำว่าความเกิดเนี่ยหมายถึงการเห็นโดยปัจจัยว่านามรูปย่อมเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยคำว่าเกิดตรงนี้หมายถึงการเกิดโดยจะเรียกว่าความสืบต่อในสังสารวัตรของนามรูปเช่น เราเกิดขึ้นมาในชาตินี้แล้วก็นามรูปนั้นก็สืบต่อมาจนกระทั่งตายความเกิดอย่างนี้เกิดขึ้นจากเหตุจากปัจจัยมีกรรมกิเลสอันเป็นปัจจัยในอดีตแล้วก็อาหารหรือผัสสะซึ่งเป็นปัจจัยในปัจจุบันอย่างที่ได้กล่าวแล้วนั้นเป็นส่วนหนึ่ง ถ้าถามว่าเห็นอย่างนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นจะได้กล่าวในลำดับต่อไปขอให้ได้ทราบตรงนี้ว่าในข้อหนึ่งที่กล่าวว่าความเกิดความเสื่อมเนี่ยเกิดหมายถึงเกิดสืบต่ออยู่ในสงสารชาดแล้วชาดเราและเสื่อมหมายถึงความสิ้นไปขาดไปตัดตอนไปจากการสืบต่อในสังสารวัต เรียกว่าความเสื่อมซึ่งความเกิดและความเสื่อมอย่างนี้จะไม่ได้เป็นไปโดยไม่มีเหตุปัจจัยแต่เป็นไปโดยมีเหตุปัจจัยเพราะมีเหตุปัจจัยจึงทำให้นามรูปปรากฏแล้วแล้วเล่าๆล่า แ, แ, แ, แล้วก็สืบต่อกันไปแล้วก็ตายไปในแต่ละพบแต่ละชาติซึ่งการดับอย่างนั้นก็ยังไม่ถือว่าเป็นความเสื่อมนะ แต่เสื่อมตัวนี้หมายถึงเสื่อมอย่างเข้ า, น, านิพพานผู้ปฏิบัติก็มาจับเห็นสมุดฐานของนามรูปแล้วก็ทำให้สมุดฐานของนามรูปนั้นเกิดการคืนคลายได้ตามส่วนของกาลังยานที่เข้าถึงคือมันจะมีอยู่เป็นการเห็นความเสื่อมเนี่ยจะอย่างในยานที่สี่เนี่ยจะมีอยู่สอง สองส่วนนะคือส่วนหนึ่งก็คือดับอวิชชาบางส่วนได้ส่วนที่ผู้ยังไม่ได้ยานที่สี่ยังมีอวิชชาในานามรูปอยู่เพียงใดผู้ได้ยานที่สีแล้วละได้เพียงนั้นชื่อว่าทำให้เหตุปัจจัยของนามรูปได้เสื่อมลงไปตามส่วนอันนี้ไม่ใช่เป็นแนวความคิดของผู้บรรยายแต่ว่าเป็นบทอธิบายในตำรา ด, ด้วย แล้วก็มองเห็นไปถึงอนาคตว่าการที่จะทำให้นามรูปที่เกิดนี้ขาดหายตัดตอนเสื่อมสลายไปจะต้องดับอวิชชาให้ได้โดยสิ้นเชิงนะฮะอันนี้ก็ส่วนละได้แบบต่ทางคาก็ละได้ไปแล้วก็ส่วนที่เข้าใจเห็นทิศทางเห็นอนาคตว่ามีทางที่จะทำให้นามรูปขาดตอนได้ ด้วยการทำอะไรให้ดับทำอะไรให้เสื่อมนามรูปจึงจะสลายสิ้นไปจากในสังสารวัตนนี้สำหรับกรณีสองที่กล่าวว่ารูปเป็นต้นเกิดขึ้นอย่างนี้เสื่อมไปอย่างนี้อันนี้เป็นความเกิดโดยขณะความเสื่อมโดยขณะก็คือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนั่นเองเป็นขณะขณะสองอย่างนี้สัมพันธ์กัน คือคนเห็นความเกิดขึ้นและดับไปของนามรูปอย่างนั้นแล้วก็ไม่พึงปรารถนาในนามรูปนั้นแล้วก็พิจารณาว่าทำอย่างไรถึงจะทำให้นามรูปที่เกิดขึ้นและดับไปอย่างนี้หรือนามรูปที่สืบต่อโดยอาการเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปอยู่ในสังสารวัตนี้เสื่อมขาดไปได้คือไม่ไม่ต้อง เกิดขึ้นเสื่อมไปเกิดขึ้นเสื่อมไปในลักษณะสืบต่อสืบต่อเนี่ยทาอย่างไรจึงจะขาดหรือสิ้นสภาพอย่างนี้ไปได้ก็เล็งไปเห็นปัใจจัยในภายหลังแล้วก็รู้ว่าจะต้องดับปัจจัยจึงจะทําให้วังวนของสังสารวัตรนั้นสิ้นไปได้อ่ในในที่นี้นะจะมีผลไปถึงการรู้สมุทัยและละสมุทัยอย่างนี้ เราดูต่อไปอีกหน่อยครับข้อสองข้อสองคือข้อสองที่กล่าวว่ารู้แล้วละปัจจัยของนามรูปที่ท่านกล่าวว่าผู้เจริญวิปัสนาเมื่อเจริญวิปัสนาใส่ใจถึงความเกิดและความเสื่อมโดยความเป็นปัจจัยก่อนแล้วสละธรรมสี่มีอวิชชาเป็นต้นธรรมสี่คืออวิชชาตัณหากรรม อาหารหรือผัดซะหรือนามรูปที่รวมกันเข้าเป็นสี่ที่แบ่งเป็นปัจจัยร่วมปัจจัยเฉพาะนั่นนะครับตามส่วนเบื้องต้นของเอกสารที่ได้กล่าวไวอ้อ่ข้อความตัวนี้ได้บอกว่าผู้เจริญวิปัสนาเมื่อเจริญวิปัสนาวิปัสนาสายใจถึงความเกิดและความเสื่อมโดยความเป็นปัจจัยก่อนแล้วสละ สะละเนี so earth, ่ยหมายถึงละคือเมื่อเหตุนามรูปที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับโดยขณะมาแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็มาเห็นว่าไอ้ที่มันเกิดดับเกิดดับซ้ำซซากซาอยู่ในภพน้อยภพใหญ่แล้วเราเนี่ยกําหนดเห็นโดยปัจจัยว่าที่มันต้องเกิดดับเกิดดับซ้ำซซากซาเพราะมันมีปัจจัยทําให้ต้อง วกเวียนอยู่กับความเกิดดับโดยขณะซ้ําๆซักๆอย่างนี้ถ้าเราไม่ดับปัจจัยความเกิดดับซ้ําๆซักๆที่เป็นสังสารวัฏเราไม่สามารถจะถอนได้ถ้าเราดับปัจจัยเมื่อไหร่เราก็สามารถที่จะถอนได้ไอ้ความรู้สึกของจิตในขณะ น, นี้ก็เบื่อหน่ายเห็นภัยของอวิชชา เห็นภัยของตันหาเห็นภัยของต่ําและความรู้สึกเห็นภัยอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นอาการละอยู่ในทีนั่นเองท่านใช้คําว่าละเนี่ยึงหมายถึงไม่ต้องการไม่ปรารถนานั่นคือการละในระดับของยานที่สี่เมื่อละได้เท่าไหร่คือลังเกียจอวิชชาได้โดยความหยั่งเห็น อันตรายตื้นลึกหนาบางอย่างยานที่สี่กำหนดเห็นเนี่ยก็หมายความว่าตัวก็ละนามละรูปอันเป็นผลของอาวิชชาซึ่งเป็นปัจจัยได้ในขั้นนั้นนี่นี่คือส่วนที่ละได้ในขั้นของตะทางคะปหานะที่ได้พูดแล้วเขาก่อนนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมองเห็นความเป็นไปได้ มองเห็นโอกาสที่ตัวเองจะพึงละด้วยการอบรมกรรมฐานหนาอย่งยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งถึงมาก็เรียกว่ามีความหวังเห็นช่องทางที่จะทำให้นามรูปนั้นดับไปได้โดยสิ้นเชิงแม้ว่าขณะที่เห็นในยานสียังละไม่ได้ก็ตามก็เหมือนกับคนที่ได้โสดาบันเนี่ยโสดาบันนั้นก็ ดับภพบดับชาติไปได้ส่วนหนึ่งตามกําลังยานของท่านที่ได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มองเห็นอนาคตว่าถ้าเราทําส ก, กัธาคามิมาร์ให้เกิดทําอนาคามิมาร์ให้เกิดทําอรหัตตมาราาม์ให้เกิดก็จะละรูปละนามได้โดยสิ้นเชิงไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตต่อไปก็ถ้ายังไม่ถึงขั้น อรหันเนี่ยก็มองเป็นสองด้านคือจะแบ่งส่วนดับเนี่ยเป็นสองส่วนคือส่วนหนึ่งที่ที่ดับได้เป็นส่วนมากหรือน้อยแล้วแต่ว่าใครเข้าถึงญาณในธรรมสูงแค่ไหนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่จะพึงดับเป็นโอกาสเป็นห้นทางที่ตัวเองจะดับ<ม>ก็ค่อยๆทำส่วนแบ่งส่วนแบ่งที่ดับได้ละได้มากเข้าเพิ่มเข้า ไปตามลำดับญาณที่ตัวเองเข้าถึงญาณสี่นั่นก็ถือว่าเป็นเหมือนเป็นเบื้องต้นเท่านั้นเองท่านนับว่าการอย่างเห็นเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดนามรูปของญาณที่สี่ที่เห็นเป็นสองส่วนนี้ชื่อว่าเป็นการเห็นนามรูปเกิดและดับโดยปัจจัยอย่างญาณที่สี่เห็น ท่านกล่าวต่อไปว่าในขณะเจริญวิปัสนาถือเอาขันทั้งหลายที่มีความเกิดและความเสื่อมนั้นแหลแล้วจึงเห็นความเกิดและความเสื่อมของขันเหล่านั้นข้อความตรงนี้ก็ไม่มีความแตกต่างอะไรกันมากกับข้อความเบื้องต้นนะก็เป็นแต่เพียงบอกว่าผู้เจริญวิปัสนานั้นถือเอาขันก็คือจับเอาขันเป็นอารมณ์แล้วก็เห็นความเกิด และความเสื่อมจากการกําหนดที่ขันนั่นเองคือที่เราเรียกว่าถ้าเราจับกรรมฐานหลักหรืออารมณ์กรรมฐานหลักไว้ได้แล้วก็เห็นอะไรอะไรผูกเข้ามากับตัวอารมณ์หลักของวิปัสสนานั่นเองคือเรียกว่าทิ้งอารมณ์หลักไม่ได้จะเห็นอะไรอื่นนั้นต้องเห็นได้โดยการยืนรูปยืนนามไว้เป็นปัจจุบันในข้อความนี้เราหมายความอย่างนี้ โยนาต่อไปกล่าวว่าพระโยคาวาจร น, นั้นย่อมเห็นความเกิดแห่งขันทั้งหลายเพราะอาวิชาเป็นต้นเกิดและความดับแห่งขันทั้งหลายเพราะอวิชาเป็นต้นดับนี้เป็นการเห็นความเกิดและความดับโดยปัจจัยของพระโยคาวาจร น, นั้น คำว่าอาวิชชาเกิดและอวิชชาดับตรงนี้ขอให้เข้าใจว่าคำว่าเกิดอวิชชาเกิดอวิชชาดับตรงนี้ท่านไม่ได้มุ่งเอาขณะไม่ได้มุ่งเอาขณะว่ า, าวิชามาเกิดเป็นขณะขนาดับเป็นขณะขณ น, นะท่านหมายถึงเกิดคือมีอวิชชาอาวิชชาใครที่ยังละไม่ได้อวิชชานั้นย่อมมีโอกาสเกิดได้อีก เมื่อใครที่ยังละอวิชาไม่ได้ตัวคนนั้นก็ต้องมีนามมีรูปปรากฏเป็นผลของอวิชชาเสืบต่อไปโดยแน่นอนและถ้าใครดับอวิชชาได้ดับคือทำอวิชชานั้นไม่ให้เกิดอีกดับตัวนี้หมายถึงการละคับละอวิชาแล้วก็ หมายถึงการดับอย่างชนิดที่เรียกว่าถ่ายถอนอวิชาซึ่งมีการดับโดยสมุดเขทประหารด้วยอรหัตมรักษ์เป็นเบื้องสูงสุดคือคนได้ยานที่สี่เนี่ยเข้าใจตรงนี้ชัดคือถ้าหากว่าเราเอามาเทียบกับอย่างของเราเรียนกันในขั้นทฤษฎีหรือว่าปฏิบัติได้ในเบื้องต้นเนี่ย ถ้าเราเรียนในขั้นทฤษฎีเนี่ยเราพูดถึงอันตรายของอวิชานะฟังแล้วก็ไม่ทราบซึ้งเท่าไหร่ถึงจะบอกว่าสังสารวัตรเกิดเพราะอาวิชารดับอวิชาได้เมื่อไหร่ก็ไม่ต้องเวียนว่ายใจเกิดเราบางทีเราก็พูดไปด้วยความเข้าใจในขั้นต้นๆแต่ว่าไม่ทราบซึ้งเห็นดิเห็นจังแต่ในกรณีของยานที่สี่เนี่ยท่านต้องการจะบอกเราไม่ใช่ในเกณฑ์ของความรู้สึกขั้น อย่างที่นึกคิดกันในชั้นทฤษฎีแต่หมายาว่าเห็นอย่างเป็นจริงเป็นจังเห็นอย่างน่ากลัวเห็นอย่างเป็นอันตรายเห็นอย่างน่ารังเกียจแล้วก็เห็นอย่างชนิดที่เรียกว่าละอวิชาบางส่วนได้ด้วยอํานาจของยานที่สี่ในขีดขั้นของยานที่สี่เพราะว่าในหลักของเราเนี่ยมีว่าวิชาหรือยานเนี่ย จะละกิเลสได้มีอวิชชาเป็นต้นต้องละได้โดยการรู้อวิชชาตามความเป็นจริงส่วนจะรู้ตามความเป็นจริงได้ลึกแค่ไหนนะก็แปลว่าเราละอวิชชาได้แค่นั้นกิเลสจะไม่ออกไปจากสันดานของบุคคลได้โดยที่บุคคลนั้นไม่รู้กิเลสนั้นตามสมควรแก่การละนะั้น รู้ในยานสี่นั้นรู้อย่างทราบซึ้งเป็นพิเศษกว่าธรรมดาธรรมดาหมายถึงที่ต่ำกว่ายานสี่หรือในขั้นบริยัตที่เราอาจจะได้ยินพวกผู้ปฏิบัติพูดกันว่าคำว่ากิเลสกิเลสที่พูดพูดที่กลัวที่เห็นเป็นภัยแต่ในเบื้องต้นเนี่ย มันไม่ไม่เหมือนกับที่เห็นอย่างในขณะปฏิบัติในขณะปฏิบัตินั้นเห็นกิเลสแล้วเห็นอันตรายของกิเลสทราบซึ้งกว่าธรรมดาไอ้ที่ว่าธรรมดาเนี่ยบางทีเราพูดถึงกิเลสแล้วก็เห็นเป็นอันตรายว่ามันทําลายสิ่งที่เราต้องการปรารถนาในทางโลกโลกในทางสุขภาพหรือในทางอะอะไรที่เราเข้าใจได้แล้วก็คิดว่าถ้าเราละกิเลสในส่วนนั้นได้ เราก็จะพ้นจากกิเลสพ้นจากทุกข์เหมือนว่าชีวิตหมดปัญหาแต่คนปฏิบัติธรรมเนี่ยแม้ว่าชีวิตจะไม่มีปัญหาเลยเลยแต่เมื่อไปปฏิบัติธรรมแล้วเห็นนามเห็นรูปของตัวเองที่เกิดดับเกิดดับซ้ํซ้ซากๆาอยู่ในสังสารวัฏเี่เป็นปัญหาอันยิ่งใหญ่ที่ว่าความเกิดเป็นทุกข์เมื่อ ไปเห็นว่าไอ้ความเกิดนามลูกที่เกิดดับเกิดดับในสังสารวัตเป็นปัญหาก็มองลึกเข้าไปว่าทำไมต้องมาเป็นปัญหาอย่างนี้ก็จับได้ว่าอ๋อเพราะไอ้อวิชาเพราะตันหานั่นเองและไอ้ตันหาย่างนี้น่ ะ, ะถึงโดยธรรมดาเราไม่ได้เห็นว่ามันเป็นกิเลสแล้วถึงเห็นว่าเป็นกิเลสในทางการเรียนรู้ก็ไม่เห็นว่ามันเป็นปัญหานากหรูอะไร พอมาปฏิบัติเห็นอย่างนี้ก็เห็นชัดว่ามันเป็นปัญหาอย่างนี้เองก็ตั้งข้อลังเกียจไอ้การตั้งข้อลังเกียจกิเลสในระดับอย่างนี้นะ่ะท่านถือว่าเป็นการละละในขั้น อ, อตาทางคะอย่างที่ว่านะฮะตาทางฆะประหารได้ส่วนหนึ่งเกิดซีกที่เราเราข่มได้แล้เราละได้โดยตทางคะไอ้ส่วนที่เรายังละไม่ได้ก็เห็นว่าควรจะทําให้เกิดการละได้ ควรจะทำให้ยังเห็นได้ว่าอาวิชาในเบื้องสูงกว่านั้นเราควรจะเห็นพิษเห็นภัยเห็นความน่ากลัวก็ทำให้ประโยคขาวาจรนั้นอย่างรักษาแนวทางที่จะจะเดินเดินต่อไปเพื่อการยังเห็นและการละอย่างนั้นต่อไปอ่าอันนี้นะท่านหมายความอย่างนี้ครับ นี่เป็นการเห็นโดยปัจจัยซึ่งก็เอาความว่าการเห็นโดยขณะเนี้ยต้องมาก่อนแล้วก็ยืนเห็นโดยขณะไว้แล้วก็เห็นโดยปัจจัยไปกับผูกพันไปกับการเห็นโดยขณะนั้นก็คือโดยขณะนั้นทิ้งไม่ได้ต้องเห็นยืนพื้นไว้เสมอ เ, อเพราะว่าถ้าเราเห็น โดยขณะว่ามันไม่เกิดไม่ดับเนี่ยก็หมายความว่าไม่ต้องไปละกิเลสละอวิชชาอะไรแล้วก็ไม่เกิดความคิดว่าการเวียนว่ายตายเกิดเป็นพิษเป็นภัยอะไรแต่เพราะการเห็นโดยขณะว่ามันเกิดขึ้นดับไปโดยขณะเราจึงเห็นว่ามันเป็นพิษเป็นภัยแล้วก็ไปตั้งข้อลังเกียกับกิเลสกับกรรมที่เป็นตัวสร้างนามรูปให้เกิดขึ้นแล้ว ต้องมาเกิดขึ้นและต้องมาเกิดดับโดยขณะให้หน้าสะพึงกลัวในสังสารวัตรนี้อันนี้ท่านว่าถึงการยังเห็นเกิดดับโดยขณะในทางอธิบายของท่านต่อไปนะท่านกล่าวว่าอันหนึ่งพระโยคาวจรเมื่อเห็นความเกิดดับเห็นเมื่อเห็นความเกิดเป็นลักษณะความแปรปลวนเป็นลักษณะชื่อว่า ย่อมเห็นความเกิดและความเสื่อมของขันทั้งหลายนี่เป็นการเห็นความเกิดและความเสื่อมโดยขณะของพระโยขาวระจร น, นั้นจึงอยู่ความเกิดเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเห็นตรัยลักษณะลักษณะคือตรัยลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ในขณะเกิด ท่านจึงกล่าวตรงนี้ว่าจริงอยู่ความเกิดเป็นลักษณะในขณะเกิดนั่นเองและความแปรปลวนก็เป็นลักษณะในขณะดับอันนี้ก็คือไตรลักษณ์นั่นเองฮะนามรูปได้แก่ไอ้ได้แก่ไไแกหมายถึงนามรูปที่เป็นอารมณ์ของพโยคาวจร ท่านจึงว่านามรูปได้แก่พระโยคาวจรย่อมถือเอาความเกิดและความดับของขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปัจจุบันอใ น, นปัจจุบันในปัจจุบันจริงๆนะในเพราะการเห็นความเกิดและความเสื่อมโดยขณะดังนี้ตรงนี้ก็คือท่านบอกว่าอารมณ์ของวิพระโยคาวจรหรือพระโยคีที่ได้ยานที่สีนะเห็นความเกิดดับ ในขณะปัจจุบันเป็นอารมณ์ได้นี่ข้อนี้เป็นคํายืนยันอย่างนี้ทีนี้ตรงนี้นะเราก็มาพูดกันอย่างในเชิงพยายามจะเอาประสบการณ์ของพวกเราๆเนี่ยเข้าไปเทียบเคียง<ม>คือเรื่องการเปรเียบยานเนี่ยว่าที่จริงแล้วก็ไม่ใช่ง่ายเป็นเรื่องไม่ใช่ง่ายแล้วก็เป็นเรื่องที่ อ, อถ้าเป็นอย่างตัวผมเองเนี่ยผมมันอ่านแล้ว ผม ก, ก็เกิดความรู้สึกว่าไอ้หลักเหล่านี้นะเป็นหลักที่ยั่วยุเราอันหนึ่งว่าเรายังมีภาระที่จะต้องปฏิบัติเพื่อการอย่างรู้อีกมากเพื่อให้ให้พอที่เราจะกำหนดหรือจับเกณฑ์ได้ว่าประสบการณ์ของเรากะยานเนี่ยมันพอจะประเทียบที่เราเรียกว่าลำดับยานเนี่ยนะฮะ ซึ่งเป็นปัญหาในในทางวงการปฏิบัติไม่ใช่น้อยถ้าเราจะมานึกเอาอย่างง่ายๆมันก็ง่ายแต่ว่าถ้าจะนึกกันอย่างเอาเป็นจริงเป็นจังให้คล้องหรือใกล้เคียงมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายซะและ้วนะทีนี้ผมกําลังจะจะชวนท่านมาพิจารณาถึงปรากฏการณ์ในทางประสบการณ์ ซึ่งไม่ได้แปลว่าผมกำลังบอกว่าประสบการณ์ของใครที่ได้ที่กำลังชวนคุยนี้เป็นยานที่สี่หรือไม่ไอ้ตรงนั้นยกไว้ก่อนที่เวลาเราว่าเราเห็นความเกิดดับเนี่ยเราเห็นอย่างไรบ้างอันนี้จะไม่ไม่ถามให้ตอบแล้วก็ไม่ต้องพูดว่าใครเห็นนะฮะเป็นว่า ในยุคเราๆหรืออย่างในประสบการณ์เราๆที่เห็นความเกิดดับเนี่ยผมถามว่าเราเห็นจิตขณะหนึ่งเกิดแล้วก็ดับไปเป็นปัจจุบันจริงๆเนี่ยได้บ้างหรือยังเห็นรูปขณะเกิดแล้วก็รูปนั้นที่เกิดด้วยขณะเกิดขณะนั้นแล้วก็ดับไป เป็นรูปเป็นการเห็นความเกิดและความดับในรูปของของรูปขนาดเดียวกันได้หรือไม่มีใครเคยเห็นได้หรือไม่และเห็นอย่างไรก็ได้ความอย่างนี้ที่ว่าได้ความนี่คือได้ความจากที่เราถามหรือเราได้ยินได้ฟังที่มีการสอบอารมณ์มีการบอกกล่าวเล่าขานกัน ให้ได้ยินหรือจากการที่เราอาจจะมีประสบการณ์อย่างของเราและไปถามครูบาอาจารย์หรือไม่ได้ถามครูบาอาจารย์แต่ว่ามาพิเคราะห์เทียบอย่างไม่เอาจริงเอาจังผมต้องย้ยําอย่างนี้ว่าเพื่อไม่ให้เกิดการละไห้เครื่องในทางหลักวิชาและในทางความคิดในส่วนสำนักส่วนบุคคลอ่าทีนี้มาดูว่า เช่นเราเห็นความเกิดดับของรูปของนามเราเกิดนิวรขึ้นมากาหนดจับได้ตั้งแต่ว่านิวรยังไม่เกิดคือในในกรณีของคนที่ทำจนสติไวมากเนี่ยนะนิวรยังไม่เกิดเช่น เรากําหนดอยู่ดีๆดีๆเนี่ยนะกำหนดนามกําหนดรูปอยู่ดีๆแล้วอยู่ๆนิวรณ์ก็โผล่ขึ้นมาผมกําลังจะถามให้ท่านถามตัวท่านเองว่าในขณะที่เรากําลังกําหนดจเจริญสติอยู่ดีๆแล้วอยู่ๆนิวรณ์โผล่เข้ามาเนี่ยเราจับได้ตั้งแต่มันเมื่อยังไม่เกิดมาเกิดขึ้น เคยหรือไม่เราก็ตอบแทนกันไม่พูดบอกของใครใครได้ว่านันจับได้จริงๆจับได้จริงๆคือนิวรที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นมาได้ถึงขนาดรู้ล่วงหน้าว่านิวรณ์กำลังจะเกิดเช่นความพุ่งซ่านที่ยังไม่เกิดกาลังจะเกิดแล้วมันมีเข้ามีบุปนิมิต แล้วมันก็เกิดจริงๆเร า, าจะเรียกว่าสังหรณ์ไม่ผิดมันก็ไม่ใช่สังหรณ์อย่างที่พูดพูดกันหรือคาดไม่ผิดอย่างในสติปัฏฐานว่าอยู่ๆมันก็โผล่ขึ้นมาเรารู้ตั้งแต่ไอ้รู้ล่วงหน้าเนี่ยบางทีรู้ล่วงหน้าแล้วมันทำท่าจะเกิดมันไม่เกิดเพราะเรารู้ล่วงหน้า บางทีไอเรารู้ล่วงหน้าแต่ว่ามันเกิดมันมีสองแบบอยู่เหมือนกันนะรู้ล่วงหน้าแทนที่มันจะเกิดมันเลยไม่เกิดนี่อันหนึ่งอันนี้คือขั้นดีกว่ารู้ล่วงหน้าแล้วมันเกิดก็มีเราไม่รู้ล่วงหน้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเราจึงรู้ว่ามีเราไม่รู้ล่วงหน้ามันเกิดขึ้นมาแล้ว ขวาเราจะรู้ก็ตั้งนานก็มีเป็นการรู้ย้อนอดีต เ, เราไม่รู้ล่วงหน้ามันเกิดขึ้นมาจนมันดับไปแล้วเราถึงรู้ก็มีใ ช, ใช่ไหมฮะทั้งหมดเหล่านี้ที่เราพูดกันว่าอาจารย์พูดกันว่าเรารู้กันอยู่ว่า สติมันไวขึ้นไวขึ้นเนี่ยมันจับความเคลื่อนไหวของกิเลสได้อย่างดีที่สุดเนี่ยคือว่ารู้ละแคละคายว่าจะเกิดพอสติกำหนดพับเนี่ยมันไม่เกิดเลยแต่เรารู้ว่าไอ้ไอ้ไอสภาพอย่างเนี่ยมันเป็นอ่ล่องลอยที่มันจะต้องเกิดไอนน้วอนอันนี้ขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้น่ะเรา กำหนดรู้ล่วงหน้าแล้วมันยังเกิดได้นิวรนมันเกิดได้ก็เพียงแต่ว่าเราได้รู้ล่วงหน้าออมันจะเกิดแล้วก็เกิดได้ก็หมายความว่าไอ้กำลังสติหรือความรอบค้อบของสติของเราที่รู้ล่วงหน้านั้นไม่แข็งแกร่งพอที่จ ะ, ะทำไม่ให้มันเกิดมาเป็นคนละพันกัน ทีนี้พอมันเกิดโผล่เป็นความรู้สึกขึ้นมาเนี่ยบอกว่านั่นแหละเห็นความเกิดของกิเลสตัวนั้นภาษาในสติปัฏฐานก็บอกว่าเห็นความเกิดของมันทีนี้ไอการเห็นความเกิดอย่างนี้น่ะถ้าจะถามว่าเราเห็นความเกิดอย่างนี้เห็นโดยขณะหรือว่าเห็น โดยความรู้สึกเหมือนเราอยู่ๆก็ฉุนก็ขึ้นมาโกรธเนี่ยเราเห็นโดยขณะลึกเห็นเป็นความรู้สึกหยาบๆเท่านะก็ตอบว่าในชั้นแรกเนี่ยที่ไม่ใช่เป็นอย่างยานที่สีเนี่ยเราจะเห็นโดยความรู้สึกหยาบๆนะฮะทีนี้ถ้าเราเห็นด้วยความรู้สึกหยาบๆเนี่ย เวลาเกิดไอ้กิเลสขึ้นมานิวรงขึ้นมาพอโผล่ขึ้นมาพับเนี่ยมันจะติดกันเป็นพืช น, นะฮะคือถ้าเปลี่ยนเป็นความรู้สึกน ะ, ะติดกันเป็นพืชแล้วเวลาดับก็ดับไปแบบเป็นพืช น, นั่นแหละเวลาที่เราเกิดเรายกตัวอย่างเป็นเป็นเรื่องของอกุกุจญานิวรณ์หรือพยาปาทานิวรณ์เวลาเราเกิด ความโกรธขึ้นมาเนี่ยเราเห็นความโกรธนั้นติดกันเป็นพืชใช่หรือไม่เวลาเราโกรธปกติใช่ไหมติดกันเป็นพืชเวลามันดับก็ดับอย่างติดกันเป็นพืชหมายก็ว่าไอ้ไอความโกรธที่ติดกันเป็นพืชมันถึงเวลาดับก็ดับไปถ้าถามว่าเห็นอย่างนี้ใช้ได้ไหมเกี่ยวกับความดับไปบอกว่ามันเกี่ยว แต่เราเห็นอย่างในขั้นของความรู้สึกชั้นนอกคือถ้าจะเทียบยานก็เรียกยังอยู่ในเกณฑ์ของยานที่สามยานที่สามเนี่ยยัง อ, อนุมัติรับรองการเห็นโดยไตร ล, ลักษณ์ในลักษณะอย่างนี้ใช้ได้อยู่ในเกณฑ์ยาน3านะแต่ถ้ า, าเห็นโดยผู้ปฏิบัตินั้น สามารถจะเห็นอาการเกิดของความโกรธนั้นจากเส้นตัดคือจิตอื่นที่ไม่ใช่จิตโกรธอยู่ๆความโกรธก็ผุดขึ้นมาเป็นอาการเกิดทีนี้เวลาไปเห็นไอความดับเนี่ยนะฮะอย่างในยานที่4เนี่ย คือในนี่เราพูดถึงอย่างในประสบการณ์ของคนปฏิบัติที่พูดพูดกันทั้งในระดับครูบาอาจารย์บางทีมันเห็นเป็นลักษณะเกิดแล้วก็ดับถียิบติติดติติกันอย่างนี้ต่อเนื่องการเป็นเวลายาวนานพอสมควรแล้วบางคนก็เหมือนกับเข้าไปสู่วังวนของความเกิดดับ ต่อเนื่องกันเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเห็นบางคนก็บอกว่าเห็นความเกิดแล้วก็ดับแป๊บไปเท่านั้นแหละเป็นชั่วขณะเดียวเดียวแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เห็นอีกแต่บางคนซึ่งก็มีหลายคนเห็นความเกิดดับสืบต่อกันถี่ยิบนับเป็นขณะไม่ได้ นั่นเป็นการเห็นความเกิดดับที่สืบต่อกันอย่างยืดเยื้อยาวนานและถ้าให้เขาอธิบายเนี่ยบางคนที่เห็นอย่างนี้นะเขาเห็นความเกิดดับหลายมาหลายชั้นไม่ใช่เห็นความเกิดดับในชั้นที่หยับหยาเพราะหยับๆยเนี่ยก็เคยเห็นแล้ว เห็นมาตั้งแต่ใหม่ๆแล้วก็เมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยไอ้ความเกิดดับนั่นมันแตกละเอียดเป็นขนาเป็นหน่วยเล็กยิ่งขึ้นละเอียดมากจนช่วงเดียวๆเนี่ยอย่างเช่นว่าช่วความรู้สึกหนึ่งเนี่ยมันประกอบด้วยความเกิดดับหลายขนา เช่นชั่วการกาหนดอารมณ์ช่วงหนึ่งคาว่าอารมณ์ช่วงหนึ่งนี่จะเป็นการกาหนดแบบไหนเนี่ยก็หมายถึงช่วงหนึ่งของอารมณ์อย่างนั้นเช่นถ้าเป็นบางแบบที่ให้ผมยกตัวอย่างก็เช่นว่าคนที่กาหนดยกเท้าแล้วก็ก้าวไปสู่การเหยียบ อันนี้ถือเป็นอารมณ์ช่วงหนึ่งของการเดินจงกรมยกแล้วก็ก้าวไปเนี่ยความเกิดดับต่อเนื่องกันตลอดก้าวเห็นได้อย่างต่อเนื่องกันทั้งก้าวสามารถจะเห็นได้อย่างนี้สําหรับผู้ปฏิบัติอย่างนี้ทีนี้ถ้าเป็นบางวิธีเนี่ยนะฮะเช่นเราหายใจเข้าไปครั้งหนึ่ง เราก็ไม่ได้ดูลมหายใจหายใจเข้าไปครั้งหนึ่งเนี่ยเราเห็นไอ้ความสั่นสะเทือนในสรีละของเราอันนี่ก็แล้วแต่เรากำหนดไปทางไหนบางทีมันก็ไวมากเหมือนกับว่าเรากำหนดทีเดียวเนี่ยมันเหมือนเห็นทั่วทั้งสารพางกายแต่ตอนนั้นมันไม่มีร่างกายแล้ว มันมีแต่ความแตกยิบยิบยๆ ย, ยิบไปตลอดตลอดเท่าที่จิตเราเพ่งกำหนดดูไปแตกยิบยๆยิไปเป็นสายเป็นทางบางคนก็ต่อเนื่องนานบางคนก็เดี๋ยวเดียวหยุด่ะพอจะมากำหนดอีกวาระหนึ่งของอารมณ์ในช่วงใหม่ ไม่เห็นไม่เห็นอย่างนั้นอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของความแก่อ่อนของยานของผู้ปฏิบัติก็ได้หรือบางระยะเวลาซึ่งมีความประชุมพร้อมของเหตุปัจจัยที่จะทำให้เห็นขณะนั้นมันแตกต่างกันก็ทำไม่ให้เห็นก็ได้คือไอ้ตรงนี้นะ่ะถ้าคนปฏิบัติ เป็นคนเรียนทฤษฎีด้วยและก็ปฏิบัติด้วยเราก็อดที่จะตั้งมนสิการไม่ได้ะนะฮะว่านี่หรือคือความเกิดดับนะนี่หรือคือความเกิดดับและจะให้ตัวเองตอบตัวเองว่างไง นะแต่ว่าอาจารย์เขาตอบว่านี่เลคือความเบื่อนักทีนีเ้เมื่อเห็นอย่างนี้แลวถามว่ามันสนุกไปเท่านั้นหรือมันตื่นเต้นไปเท่านั้นหรือเหมือนคนเห็นอะไรแปลกใหม่หรือเหมือนว่าพกความอยากจะเห็นอย่างนี้ตามที่ตัวเองได้ร่ำได้เรียนมาเห็นแล้วก็สาสมใจกระยิ่มยิ้มย่องอยู่ในใจอย่างนั้นหรือ หรือเกิดความรู้สึกอะไรถามว่ามันน่ายินดีหรือมันไม่น่ายินดีคนเห็นเนี่ยควรจะยินดีมันหรือไม่ควรยินดีคืออันนี้ควรหรือไม่ควรไม่ต้องมีใครมาบอกนะมันไม่น่ายินดีมันไม่น่ายินดีในสิ่งที่ตัวเห็น ไอ้คำว่ายินดีเนี่ยหมายถึงยินดีด้วยความรู้สึกพึงใจด้วยตัณหามาณทิฐิอย่างที่เราเห็นอะไรแปลกๆ แ, แล้วเราก็เกิดความชื่นชมยินดีแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่น่ามันคือเรียกว่ามันเป็นปัญหาเป็นสิ่งที่น่าสะพึงกลัวกับ ส, สิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อ ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะฮะมันสวนทางกับที่เรามีความรู้สึกต่อตัวเราเองอันนี้คืออย่างในทางทฤษฎีว่าแล้วก็ในทางความรู้สึกที่บางทีเราก็เห็นเราก็เกิดความรู้สึกอย่างเนี้ยผมก็พูดให้ออเบาๆไว้ไม่พูดว่าเป็นใครเห็นนะแต่เราพูดอย่างในทางหลักว่าการเห็นแล้วเกิดความรู้สึกอย่างนี้ถือว่าถูกต้องกับทฤษฎี ทฤษฎีที่ให้เห็นนามเห็นรูปเนะีเห็นไม่ใช่เห็นเพื่อกำหนัดแต่เห็นเพื่อคลายกำหนัดเห็นแล้วต้องคลายกำหนัดเห็นแล้วต้องกลัวเห็นแล้วต้องใคร่ที่จะหนีจิตใจจะโน้มเอียงไปในทางนั้นจึงจะชื่อว่าเป็นการเห็นความเกิดดับอย่างอยู่ในคุณสมบัติของวิปัสสนาญาณที่ว่าไว้ เวลาเห็นมันเห็นเป็นความเกิดเป็นช่วงความจริงที่ผมพูดเมื่อกี้นะผมก็ไม่ได้ตัดสินว่าไอ้ที่ว่าเห็นนะ่มันเกิดดับจริงหรือเปล่าไม่ได้พูดเป็นลักษณะตัดสินนะว่ามันเป็นขณะเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่ามันละเอียดมากเหลือเนกะินอ่ะมันละเอียดละเอียดอย่างยิ่งแต่ที่เราไม่กล้าตัดสินเนี่ยก็เพราะว่า มันอาจจะมีการเห็นที่ละเอียดไปกว่านั้นเพราะว่าในการเห็นความเกิดดับละเอียดถึงอย่างที่ที่ว่าละเอียดแล้วเนี่ยสุดท้ายที่ว่าเรามาเห็นละเอียดแล้วเนี่ยเราก็ได้เห็นขั้นความเกิดดับที่มันอ่อนกว่านี้หยาบกว่านี้มาแล้วเราก็ว่ามันก็ละเอียดแล้วแต่มาเห็นขั้นเหนือกว่าก็ว่ามันละเอียดยิ่งขึ้นมันอาจจะไม่ละเอียดกว่านี้ก็ได้ ก็เลยต้องต้องขยักตกลงปลงใจเอาไว้เอาไว้ก่อนว่านี่มันเป็นขณะแล้วหรือยังถ้ามันเป็นขนาดเนี่ยทำไมเราถึงเห็นความเกิดดับโอ้ต่อเนื่องกันยาวขนาดนี้แต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยในวิปัสสนาญาณสีเนี่ยท่านรับตรงนี้ด้วยว่าเห็นความเกิดของรูปนามหน่วยอื่น แล้วก็มาเห็นความดับของรูปนามอีกหน่วยหนึ่งในลักษณะใกล้ๆกันจัดเป็นยานอารมณ์ของยานที่สี่ได้ เ, เข้าใจไหมครว่าไอ้ไอนามรูปที่เวลามันเกิดสมมติว่าเรานึกถึงไอ้ภาพวิธีจิตสิเจขณะจิตเราเห็นความเกิดของจิตขณะที่หนึ่ง แต่เวลาเห็นดับเนี่ยเห็นดับของจิตขณะที่หนึ่งไม่ทนเราไปทันเอาเห็นความดับของจิตขณะที่สิบเจ็ดเห็นเกิดเห็นดับเหมือนกันไอ้เกิดดับของจสิบเจ็ดเนี่ยมันคนละความรู้สึกกันเลยนะมันไม่ใช่ความรู้สึกเดียวกันอย่างเวลาเรากโกรธโกรธพูดขึ้นมาปุ๊บ จนกระทั่งกระโดดหายฟูงขึ้นมาปุ๊บจนกระทั่งฟูงหายเนี่ยมันการมันเป็นเพียงการเกิดขึ้นของความรู้สึกและการหายไปของความรู้สึกมันเป็นผิวเรียกว่าเป็นเรื่องของผิวผิวของความเกิดและความดับที่มันไปเพ่งที่ความรู้สึกเกิดดับไม่ใช่อาการยานสีนะท่านจับเข้าไปถึงอาการแม้ต่างความรู้สึกกัน แม้ต่างความรู้สึกกันก็คือว่าอย่างเช่นความเกิดของขณะจิตแรกเป็นความรู้สึกอันหนึ่งและความดับเนี่เป็นความรู้สึกมันเปลี่ยนไปแล้วพอจิตต่างขณะกันเองบางทีความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่เวลาเห็ น, เ ห, นเห็นเกิดปุ๊บเนี่ยเอยตอนเห็นเกิดนี่ตอนนั้นสติแก่กล้าสมมติเหมืกันนะฮะเห็นความเกิดของสติ แต่เวลาไปเห็นความดับเนี่ยไปเห็นความดับของปัญญาปัญญาแก่กลาเป็นจิตอีกดวงหนึ่งแต่ว่าเห็นลึกเข้าไปถึงขณะไม่ใช่เห็นโดยความรู้สึกยานสี่นะท่านยอมอันนี้ให้ด้วยยอมให้เห็นต่างขณะ ซึ่งไอการเห็นต่างขณะอย่างนี้นะ่ะเห็นจะพอง่ายหน่อยง่ายหมายความว่าง่ายแก่การที่เราจะเห็นและง่ายแก่การที่จะพยากรณ์ว่าผู้นั้นเห็นเข้าข่ายยานที่สี่อ่าดรุณาอุทยพยายา น, นี่ยที่จริงผมตั้งใจจะเอาไว้พูดในยานสามนะผมก็ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าโหจะได้พูดหรือเปล่าแต่ว่าได้พูดเป็นลักษณะเข้าคร่าวมา มาแล้วทีนี้เ อ, อยานที่สี่ที่เห็นว่าดรุณะเนี่ยมันยังคาบเกี่ยวกับอย่างที่ยานที่สามเห็นคือเห็นในลักษณะเป็นเป็นความสืบต่อของนามรูปเป็นก้อนเป็นแท่งแล้วก็ยังพิงพิงอยู่กับไออความเกิดดับชั้นผิวผิวนะฮะเรียกว่าเป็นดรุณะอุทยพยานเอาเอาคร่าวๆอย่างนี้ก็แล้วกัน แต่ที่ที่อธิบายให้ฟังเนี่ยอธิบายเป็นอย่างขั้นเข้มข้นแหล ะ, และเรื่องนี้ในความจริงมันก็เป็นเรื่องเรื่องเสี่ยงในลักษณะของการที่สมมุติว่าคนที่เป็นวิปัสนาจารย์รู้เห็นแล้วก็อธิบายประเจตดประเจอเนี่ยก็เป็นเรื่องเสี่ยงและวก็ท้าทายกันมิใช่น้อยนะฮะที่จะพูดถึงว่าไปเห็นอย่างงูอย่างนี้ที่ว่าเสี่ยงและท้าทายเนี่ย หมายถางว่ายากแก่การที่จะพูดให้เกิดการยอมรับได้ในที่ทั่วไปก็จึงอธิบายอย่างระวังระวังแล้วก็รักษากันไว้เพื่อให้เป็นการประกอบการพิจารณาในขั้นหนึ่งก่อนเพราะว่ายานยิ่งสูงเนี่ยยิ่งเป็นเรื่องยากแก่การที่จะตัดสิน ที่จะอธิบายได้นะพดัะนั้นก็สิ่งเหล่านี้ก็รับฟังไว้เป็นเกณฑ์พิจารณาประกอบกับประสบการณ์ของแต่ละท่านที่อาจจะมีมาแล้วที่ผมชับตัวอย่างมาเมื่อกี้นะเป็นเรื่องของความเกิดดับของของของน้าทีนี้มันมีไอ้ความเกิดดับของรูปเนี่ยมันเห็นค่อนข้างง่ายแล้วก็เราเราเห็นกันมากนะฮะที่มีการสอบอารมณ์ หรื อ, อาวางเป็นเกณฑ์สำหรับสำนักต่างๆส่วนใหญ่เนี่ยจะไปผูกพันอยู่กับรูปความเกิดดับของรูปแล้วก็ความเกิดดับของรูปที่เห็นกันง่ายและโดยมากเนี่ยคือจิตต่ชรูปอย่างที่ผมว่าทีนี้ไอ้ตรงนี้นะผมจะมาอธิบายถึงไอ้สภาพจิตต่ชรูปที่เห็นในทางละเอียดกว่ากันและกันให้ยิ่งขึ้นไปอีกคือรูป มันมีหลายสมุดฐานคำ้ามาหลายก็คือสีสมุดฐานนั่นแหละเกิดจากกรรมเป็นสมุดฐานถ้าเห็นโดยขณะเนี่ยเห็นยากเพราะอะไรเพราะว่ารูปที่เกิดจากกรรมเป็นสมุดฐานเนี่ยมันเกิดทุกขณะจิตนะฮะ ละเอียดมากละเอียดมากเหลือเกินถ้าเห็นโดยปัจจัยง่ายแต่ว่าการเห็นโดยปัจจัยที่เข้าข่ายยานสีเนี่ยต้องเห็นโดยขณะก่อนแล้วถึงไปเห็นโดยปัจจัยแต่อย่างเราเนี่ยเราไม่เห็นโดยขณะแต่อธิบายเป็นลักษณะเชิงปัจจัยอย่างยานสองเนี่ยมันเหมือนง่ายนะว่าโอเรามีประสาทตาประสาทหูเพราะว่าเกิดจากกรรมเป็นปัจจัยจากตัณหาเป็นปัจจัยมันเหมือนง่ายในระดับยานสอง ายานสองไม่ได้เห็นโดยเกิดดับก่อนแต่ว่ายานสีเนี่ยเห็นความเกิดดับเป็นตัวค้ำยืนไว้แล้วก็เห็นโดยปัจจัยขยับลึกลงไปไอ้ตรงนี้แหละยากนั่นคือมันระดับยานสี่ยากตรงนี้ทีนี้ที่ผมว่าการเห็นกรรมชรลูปเกิดดับโดยขณะยกตัวอย่างเช่นเราเห็นประสาทตาของเราเกิดดับโดยขณะ ยากหรือง่ายท่านลองผมถามให้ท่านลองนึกดูว่ามีสำนักใดเห็นบ้างเห็นประสาทหูเกิดดับประสาทหูนี่เป็นครมันจะลูกเห็นประสาทกายเกิดดับมีบ้างไหมหรือประสบการณ์ท่านโฉบเฉี่ยวเฉีย ว, ว, วไปบ้างไหมถ้าจะให้ผมตอบผมก็ยังไม่ได้ยินอธิบาย แล้วก็ไม่ได้เ จ, เจอในทางประสบการณ์อย่างชัดแจ้งของพวกเราก็มีอยู่บ้างนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนใหญ่กรรมจิตอุตุแล้วก็อาหารทีอย่างดนั้นที่เราเห็นมากที่สุดเนี่ยตามสำนักต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นท่านมหาสีไม่ว่าจะเป็นท่านวิสราสะไม่ว่าจะเป็นท่านสายของท่านาอบากิดหนีว่าตามสายและที่เห็นเหตุแล้วก็บกเข้ามาหาประสบการณ์ส่วนตัวของอย่างเราๆมองดูแล้วนะ่ะเป็นจิตตะชลูปเป็นจิตตะชลูปและจิตตะชรูปที่เห็น ในแต่ละสายแต่ละแบบเพื่งก็ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องนอกตำราอยู่ในตำราทุกแบบเลยเพราะว่าจิตตะชรูปเนี่ยท่านแบ่งเป็นจิตตะชรูปหยาบละเอียดเอาง่ายๆ่ า, ยยานี่นะจิตตะชรูปหยาบก็หมายถึงอิริยาบทใหญ่อิริยาบทย่อยลมหายใจเข้าลมหายใจออกการเคี้ยวการกลืนการถ่ายเป็นจิตตะชรูปหยาบ จิตตชรูปอีกอย่างเป็นจิตตชรูปละเอียดที่ในวริเศตหกจะเรียกว่ า, าจิตตะชรูปสามันคือจิตตะชรูปยืนพื้นลองมีชีวิตขึ้นมาต้องมีจิตตชรูปอย่างนี้ยืนพื้นเช่นอาการที่เลือดในตัวของเราสูบฉีดเคลื่อนไหว ไปตามอวัย ว, วะใหญ่น้อยอาการเต้นของหัวใจอไอ้สามันนี่ยังมีอยากมีละเอียดกันแล้วก็ไอ้จิตตชรูปที่เกี่ยวกวับเรื่องขนลุกหรือไอ้อำนาจจิตที่เข้าไปชุ่มเลี้ยงกลุ่มลูกในสรีละของเราตั้งแต่หัวจดเท้านี่ โดยปกติเราจะไม่รู้สึกใช่ไหมเช่นผมถามว่าขณะนี้นะรู้ไหมว่าเลือดของท่านที่กำลังถูกปั๊มออกจากหัวใจเมื่อตะกี้นี้พุ่งไปทางไหนทำให้เกิดความรู้สึกอย่างไงบ้างไม่รู้ธรรมดาเนี่ยเราไม่รู้แต่ถ้าถามว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ไม่รู้นั่งอยู่กู้เข้าเย็ดออก เหลียวซ้ยแลวขวารู้ไหมรู้รู้ไอนี่คือจิตแต่จะรูปอยาบทีนี้เวลาคนที่ปฏิบัติเนี่ยแล้วก็รวมทั้งเวลาเข้าไปอย่างเห็นสมมุติว่าเรากําหนดอย่างทองพองทองยุคหรือยกมือขึ้นมากําหนดอย่างสายหนึ่งของหลวงพ่อที่วัดหนองคายที่หลวงพ่อเทียนท่านเอามาทําจนท่านดังไปด้วยเนี่ยนะ จนนึ ก, ก็เป็นของท่านเนี่บงเอิญผมไปเจอต้นต่อครับท่านท่านสั่นสอนไอ้วิธีการยกมือขึ้นมาแล้วก็จเจริญสติไปกับการยกมือหรือการเดินจงกรมแล้วก็พยายามดูความเคลื่อนไหวของรูปนั้นตั้งแต่หยาบๆยาพอสติจเจริญขึ้นมันก็เห็นละเอียด เข้ามาเข้ามาตามลําดับจนกระทั่งถึงเห็นความสาคัญของจิตกับรูปว่ามีเจตนาจะสั่งรูปหรือไม่มีเจตนาจะสั่งรูปเป็นที่ปรากฏชัดหรือมีไอ้กิเลสมันเข้ามาแทรกทําให้มันเกิดอาการอาแสดงออกไปอย่างเป็นอกุศลจิตจะรูปกุศลจิตจะจะรูปคนเดินจงกลมเก่งๆเนี่ยก็รู้หรือจเจริญสติอิยาบาทย่อยอย่างสายของท่านมหาสีเนี่ยทํำจนกระทั่ง สามารถที่ จ, จะขี่เขียนออกมาได้เลยว่าเวลาทําแล้วมันเป็นยังไงต้นจิตอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะคลุกคลีกันอยู่เป็นเดือนเป็นปีทําไมจะไม่รู้แต่จริงๆแล้วแต่ใครจะทํามากทําน้อยมันก็เห็นอกระบวนการของมันนี่เรียกว่าเป็นอย่างอย่างข้อนอยังไม่ใช่ลึกซึ้งอะไรหรอกที่ว่ามาตรงนี้นี่ที่เขาเห็นกันถึงขั้นลึกเนี่ยก็ต้องเดินไปก้าวหนึ่งเนี่ย มันมีความเกิดดับเป็นเปลาะเปลาะเปลาะเปลาะ อ, อ, อย่างถีบก็มีถีละเอียดแตกต่างกันนะคนเห็นเองก็แปลกใจทางนั้นแปลกใจว่าเออมันมันเป็นไปได้ยังไงนะะมันเป็นไปได้ยังไงเราเห็นได้ยังไง ต้องแปลกใจทุกคนคือไอท้ทีแรกก็กทำช้าๆ่ยนะทำชา้าๆไหว้พระช้าๆเดินช้าๆไอตอนที่ยังไม่เห็นก็นึกว่าเณาอดบางทีก็อดสงสัยไม่ได้ไปแกล้งทำทำไมแล้วก็เห็นเออมันเวลาเรากราบไปเนี่ยมันลงไปทีละหน่อยทีละหน่อ ย, อ ย, อยตามจิตค่อยๆสั่ง เออพอทำภัยทำมาเนี่ยมันเหมือนหลุดพัวไปจากไอ้ไอ้สภาพที่เราแกล้งทำเนี่ยนะไอที่ว่าแกล้งทำแกล้งทำแหละความจริงไอพูดอย่างนี้เหมือนก็ดูถูกกันต้องบอกว่าเป็นอุบายถึงจะถึงจะถูกเป็นอุบายที่จะทําให้ให้เห็นความเกิดดับของรูปนามพ อ, อทาแกล้งไปแกล้งมาสติมันก็มัน ก, มนก็มันไม่ได้แกล้งไปด้วยได้รับการฝึก พอมนหลุดพัวไปเนี่ยครับมันไม่ใช่โลกของความแกล้งแล้วมันไปเห็นในความสืบต่ออย่างชนิดที่มันเป็นไปของมันเองเป็นที่อัศจรรย์แก่ตัวเองเพราะน้สิ่งที่เห็นเนี่ยสิ่งที่เห็นความเกิดดับของการเคลื่อนอิริยาบถต่างๆเป็นจิตตชัรูป เป็นจิตตะชรูปอย่างหนึ่งแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นผูกพันมากับกจิตตะชรูปหยาบอันนี้ก็ว่าเนื่องจากว่าเรามีพื้นฐานทางสติปัญญาหยาบเวลาเจริญสติอาศัยรูปหยาบเป็นที่ิงอาศัยหรือเป็นมุกของการทํากรรมาฐานก็หมายความว่าเราอาศัยสิ่งที่เห็นได้ นำเข้าไปสู่สิ่งที่เห็นไม่ได้ซึ่งมันอยู่ในสิ่งที่เห็นได้แต่เวลาเห็นได้แล้วก็เห็นเป็นอย่างที่เราเห็นอันหนึ่งนี่นี่เป็นแบบแบบหนึ่งที่มีคนเห็นกันมากแล้วก็ตื้นลึกแตกต่างกันนี้ถ้าเราจะรักเรียนรู้เนี่ยเราก็ต้องไปไปคุยไปถามนะฮะ ไอ้จะเชิญจะนิมนต์หรือจะให้ท่านขึ้นมาเล่ามาพูดประชันกันบนเนี้ดูไม่เหมาะเราก็ต้องไปสืบมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เขาทำเป็นเดือนเป็นปีอยู่กับการปฏิบัติเป็นปีเนี่ยไปคุยแล้วโอ้โหเห็นจะเห็นเลยว่าเขาเข้าถึงความลึกของปรากฏการณ์อย่างนี้อย่างเหลือเชื่อแต่เราก็ต้องเชื่อ แล้วมันก็น่าเชื่อเพราะทำกันเป็นอาชีพยอย่างที่ทพ่อมาเงี้ยนะอย่างเงี้ยลผมไปแล้วผมก็ชอบถามถามมาอย่างนั้นอย่างนี้ให้เขาเล่าเล่าเราก็แอบแอเก็บเปความรู้ไปประกอบหลายๆสำนักทีนี้บ า, บางวิธีบางสำนัก อันนี้ผมยังไม่พูดถึงในทางในทางหลักตำลาหลักตำลาเขามีหลายหลายหลายประเภทอย่างสํานักที่อ่าเป็นของพระมาก็คือของท่านอุบากินเนี่ยอันนี้ท่านจับเอารูปละเอียดหลือจิตตะเชลูปละเอียดคือเป็นจิตตะชลูปเหมือนกันเวลาเห็นนะถึงจะว่าเบื้องต้นจะเป็นเรื่องเวทนาคือดูความรู้สึกเนี่ยแต่เวลา จับกำหนดไปกำหนดไปเนี่ยมันไปเห็นไอ้จิตตัชรูปที่ไม่ใช่กายวิญญาตไม่ใช่วจีวิญญาต์แต่เป็นจิตตัชรูปสามมันไม่ใช่จิตตัชรูปหยาบคือนี่ผมหมายถึงเบื้องต้นนะฮะไอ้เบื้องต้นก็อย่างของกำหนดอิยาบทหรืออะไรแต่ไรนี่ก็เบื้องต้นเป็นจิตตชรูปหยาบ แล้วก็เวลาไปเห็นก็เข้าถึงไอ้ความลึกแต่ว่ า, เ, าเทียบสภาพแล้วมันก็ไม่เหมือนกันทีเดียวนะฮะไอ้จิตใจรูปสองอย่างเนี่ยคือถ้าเป็นจิตใจรูปอย่างเขากำหนดแบบละเอียดเนี่ยพอกำหนดไปจับไอ้ความแตกดับอันนี้ผมก็ต้องบอกว่าอย่างที่อาจารย์เขารับว่าเป็นการเห็นความเกิดดับ ไอเราคนปฏิบัติเนี่ยเราก็ยับยั้งชั่งใจไว้ก่อนก็นแล้วกันนะแต่ก็มันก็เป็นเรื่องอัศจรรย์อ่ะอย่างเช่นเราจะจับจ้วงไปตรงไหนเนี่ยสมมติว่าเราเราทําแบบแบบพองยุบออกมาแล้วก็มาทําอีกแบบแล้วก็ไอพองยุบก็เราก็ดูที่พองยุบก็พองยุบ แต่ว่าไอ้จิตตชรูปที่เราจับได้เนี่ยมันมันมันไม่ใช่พองยุกนะคือมันเหมือนแฝงอยู่ในนั้นแหละเหมือนเหมือนกับที่เราจับได้ในที่อื่นมันเป็นความละเมียดละไมที่ท้องจะพองจะยุบไอ้ความละเมียดละไมนะมันก็เกิดดับอย่างที่เขาเห็นกันตามแบบปฏิบัติแบบนี้ แล้วก็เราก็มาอาจจะมากําหนดที่หัวใจเต้นหัวใจเต้นทีอเงี้ยนะไอ้ความเกิดดับของรูปอันละเมียดละไมเนี่ยมันแตกดับสืบกันไปยังกระครื้นกระทับฟังเนี่ยคือมันเกิดอาการที่บางทีเรียกว่ากระเพื่อมแล้วค่อยๆจางหายไปแล้วก็บางทีมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นพวง เป็นพวงคือเพราะว่าไอในหลักของจิตตเชืรูปที่อธิบายไว้อย่างในวิปัสสนาญาณวิสุทธิมรรคเนี่ยเขามีไอรูปที่เกิดขึ้นจากสมุดฐานแรกเกิดขึ้นแล้วแล้วเมื่อเกิดขึ้นแล้วในไอรูปที่เป็นผลเนี่ย <amas> ก็กลับมาเป็นเหตุ คือกระตุ้นให้รูปอื่นเป็นสมุดฐานให้รูปอื่นเกิดสืบต่อไปอีกเป็นพวงหนึ่งอีกพวงหนึ่งมันก็ออกไปเป็นอย่างกระระเบิดประะมะาโนไงออกไปเป็นเป็นพวงกระจายออกไปลักษณะยอย่างนี้ก็ดูแล้วมก็ก็แปลกดีนะแต่ว่า ในทฤษฎีท่านถึงมีอย่างในยานที่สามเนี่ยท่านบอกเอาไว้พิสดารเลยตรงนี้ว่าไอ้ไอที่เราได้ยินว่ากรรมชะปัจจยะอุตุชะจิตชะปัจจะยะอุตุชะฟังแล้วจะเข้าใจหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ไม่เข้าใจโดยรายละเอียดก็หมายถึงว่าในหลักเนี่ยท่านบอกว่า ไอ้ความสืบต่อของมันเนี่ยความเกิดดับที่อยู่กับเหตุปัใจจัยใกล้ๆนามลูกเกิดดับเนี่ยมันเป็นตัวหลักที่กำหนดยืนอยู่แต่ว่าเมื่อมาดูตามกระสกส language, ส sont, แสเหตุปัจจัยที่มันเกิดแล้วว่าไอ้เกิดดับของของนามลูกชุดนี้เนี่ยเกิดจากเหตุปัจจัยตัวตัวแรกและตัวเองเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยที่เป็นผลของเหตุปัจจัยแรกแล้วก็ยังคงความเกิดดับอยู่ มันก็เป็นเหตุเป็นปัจัยสืบกันเป็นอย่างนี้เป็นหลายๆทอดท่านแบ่งเป็นทอดว้ให้ดูเลยว่าเป็นหลายๆทอดเวลาคนกำหนดเนี่ยคนไหนที่กำหนดสืบลึกเข้าไปได้คือไอเห็นความเกิดดับเป็นตัวหลักแล้วก็เกิดจากปัจจัยไ อ, ไ, อไอกระแสเหตุปัจจัยเปลี่ยนแหละความเกิดดับของรูปนามส่วนนี้เกิดจากเหตุจากปัจจัยนี้ ขยับไปเป็นทอดทอดๆ อ, อ, อดไปเนี่ยใครเห็นได้หลายทอดคนนั้นเห็นลึกใครเห็นน้อยทอดคนนั้นก็เห็นตืออ้นเป็นความอย่างลึกของผู้เห็นที่เห็นแตกต่างกันออที่จริงที่ผมข้ามยานสามมาก่อนเนี่ยเพราะว่าผมก็กลุ้มลาบากใจตอนนี้เพราะท่านอธิบายว่าพิสดารแล้วเกินผมก็ไม่รู้ผมจะสรุปยังเป็นปึกเลยอะ ดูแล้วลเรื่องอยากถึงว่าการจะเข้าใจเรื่องทฤษฎีภูนีไม่ใช่ไปเที่ยวพูดให้ใครที่ไหนฟังก็เข้าใจได้นะถ้าจะพูดให้เขาเข้าใจได้มันต้องหักเรื่องให้มันเป็นเรื่องเผลอนไปหรือพูดแต่ไอ้ส่วนไอ้รูปแบบคร่าวๆอย่างอย่างที่พูดให้ฟังเนี่ยเป็นสะทอดเี่ยแต่ว่าเอาไปไล่เรียงรายละเอียดเนี่ยถ้าคนไม่มีพื้นทางทางหลักการดีก็ฟังแล้วก็เข้าใจไม่ได้ดี เข้าใจได้ยาก อ, าอุตุชะลูกกับเดี๋ยวผมผมพูดถึงจิตใจรูปอีกสักนิดหนึ่งทีงนี้เวลาที่เราเห็นไอ้จิตใจรูปที่เราเมียดละไมเนี่ยบางทีเนี่ยเราเราเดินจงกรมเนี่ยเดินจงกรม ท, ทั้งที่เราเราตั้งหลักกับจิตใจชะรูปหยาบนะะเดินจงกรม คือบังเอิญผมมันพวกไหลสำนักที่ออกจากสำนักนั้นมาแล้วก็มาเข้าสำนักทำอีกแบบนี้นะใครเขาว่าทำแล้วมันตีกันผมไม่เห็นนะมันตีกั น, นไปได้วยการชมเลยไปได้วยกันเราเดินจงกรมเงี้ยครับเอแทนมันเห็นไอ้จิตชรูปสามมันในการเดินจงกรมอย่างเช่นไอ้การาสู่ฉีดของโลหิตนะฮะ แล้วก็ไอ้ส่วนหนึ่งที่มันลึกมากก็คือว่ า, เ, าเวลาที่จิตเราแนบแน่นดีเนี่ยนะอินรีดีเนี่ยเรารู้เลยว่าไอ้พลังจิตเนี่ยมันมันทำให้รูปเกิดความเบาความอ่อนความควรได้อย่างละเอียดลึกซึ้งแล้วก็ไอ้ความเกิดดับความลื่นไหลของมันไปในการยกการย่างการเหยียบเนี่ย มันไม่ใช่อย่างที่ที่เรากําหนดแบบการทําแบบนั้นทีเดียววันนั้นบางทีเวลาสอบอารมณ์เนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้บอกอาจารย์นะก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์ทําแล้วมันเห็นอย่างเนี้เวลากําหนดท้องพองท้องยุบแล้วมันทําไมมันเห็นเห็นไอ้ท้องพองท้องยุบมันไม่มีมันเห็ น, หนไอ กลายเป็นเรื่องความเคลื่อนไหวละเอียดท่านก็อนุโมทนาสาธุการว่า ด, ดีแต่เราไม่ได้บอกว่าไอ้นี่มันมันมันมันเห็นข้ามสายกันนะคือไอเห็นอย่างอย่างแบบหนึ่งแล้วมันมาอยู่ในรูปแบบของการกระทำอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ได้พูดให้ท่านให้ท่านฟังก็ถ้าท่านอนุโมทนาก็แสดงว่าออกแา่อาจจะพูดตามสาระก็ได้นะ สาระว่าเออเห็นอย่างนี้มันเข้าไปนามเป็นรูปมันก็เลยเป็นว่าเราก็เลยรู้สึกได้อย่างหนึ่งว่าเออไอเราไปเห็นอันอื่นแล้วมาทำในรูปแบบอื่นนี่มันมันก็อยู่ใช่ไหมฮะเพราะว่าไอาเราจะมาเดินหรือไม่เดินถ้าเรามีความเกิดดับอย่างที่เรากำหนดได้อย่างการปฏิบัติแบบนั้นมาอยู่ในการกาหนดในรูปแบบได้อย่างนี้มันก็ต้องเป็นของ จริงที่ยืนอยู่บนความเป็นนามเป็นรูปตรงนี้นะบังเอิญเราถ้าเราเรียนปริเฉดหกเนี่ยเป็นเนพื้นแล้วก็มาอ่านในวิสุทธิมรรคเราก็จะเข้าใจคือหมายว่าพอเห็นพับเนี่ยรู้ได้เลยว่านี่คื อ, อจิตจะชรูปอะไรแล้วก็จิตจะชรูปไอ้ตรงนี้เนี่ย ธาตุดินออกหน้าธาตุไฟออกหน้าธาตุลมออกหน้านะฮะคือธาตุที่เป็นตัวธาตุิ่งของไอความปรากฏของกิจจะจะรูปในขณะนี้ที่เราจับมันได้เนี่ยทีนี้เรามาพูดถึงอุตุชรูป ก, กับ อาหาระชรุมนะถ้าว่าถึงอย่างหยาบก่อนที่ในวิสุทธิมรรคอธิบายไว้ด้วยแล้วก็ในปฏิสัมพิธามรรคอธิบายไว้บ้างเล็กน้อยในขณะที่เรายืนเดินนั่งนอนหรือแม้แต่นั่งกำหนดอารมณ์ละเอียดอยู่หรือแม้จะนั่งกำหนดจิต เอาจิตเป็นหลักในการกำหนดรู้อยู่เนี่ยมันจะเห็นจะเห็นถ้าเราหมายใจที่ธาตุที่ ท, ที่ความร้อนอะไรต่ออะไรพวกนี้นะบางทีก็พูดเลยไปถึงดินถึงน้ำถึงลมด้วยคือโดยสมุดฐานเนี่ยถึงจะกล่าวว่าเป็น อุตูชลุกแต่อุตูสมุทฐานเนี่ยท่านจะอธิบายพ่วงกระแสของเหตุปัจจัยอย่างอื่นที่เว้นจากอาหารเว้นจากจิตแล้วก็เว้นจากกรรมเสียสงเคราะห์เป็นจิตแต่เป็นอุตตุชลูกหมดแม้ว่าเราจะไปเดินเหยียบไปไปถูกน้าตำ่ําสงเคราะห์เป็นอุตูสมุทฐานนะฮะเป็นเป็นตัวหลักนะฮะไปนั่งไปแบกของหนักอะไรต่ออะไรเนี่ย สงเคราะห์เป็นอูตัสมุดฐานสําหรับรูปที่ปรากฏเกิดขึ้นในขณะนั้นทีนี้อูตัชั้นรูปเนี่ยที่จริงแล้วเป็นของตื้นเป็นของไม่ใช่ของหยาบไม่ใช่ของละเอียดและเป็นของที่เราเห็นง่ายถ้าเราไปนั่งกรรมฐานเนี่ยสมมติเราทําจนจนเรียกว่ากรรมฐานเนี่ยเราพอเป็นงานเราสมควรเนี่ย ถึงทุกวันนี้พอเรานั่งหลับตาแล้วก็กำหนดนามรูปตามวิธีที่เราทำเราจะรู้ได้ทันทีเลยทีเดียวว่าในตัวของเราเนี่ยมีอุณาภูมิมีอะไรผิดปกติมีความหนักความอื้ความ ตึงความอะไรตรงไหนใช่ไหมฮะคือพอหน้าเรานั่งหลับตาแล้วสํารวจตัวเองเนี่ยมันเห็นทันทีแล้วก็มันไม่ใช่แค่เห็นเราสามารถที่จะทําแล้วก็ปรับอุณหภูมิปรับไอ้ความผิดปกติในร่างกายของเราได้ด้วยอย่างที่ที่ทําทุกๆเช้าเนี่ยทำทุกๆเช้าหรือทุกๆ ท, ท, ที่เรามีความรู้สึกว่าร่างกายเราผิดปกติ ถ้าเราเอาจิตสำนึกปกติไปดูเนี่ยมองไม่เห็นชัดอย่างขณะเนี้ยผมยืนเนี่ยผมอาจจะมองไม่เห็นอะไรชัดเจนท่านก็อาจจะไม่เห็นอะไรชัดเจนแต่พอท่านนั่งหลับตาแล้วก็ตั้งอารมณ์กรรมฐานไว้หรือสำรวจสลีละของท่านตั้งแต่หัวจนเท้าเนี่ยจะเห็นเลยว่าในสรีละของเรานั้นมีอะไรผิดปกติอุณหภูมิร่างกายตรงไหนมีความหนักความตึงความเครียดตรงไหน เห็นทันทีแล้วก็ถ้าเราทำอย่างปกติเนี่ยเราก็ไม่ได้มุ่งที่จะทำอย่างเป็นการทำเอาความสาเร็จทางกรรมฐานเหมือนอย่างในขณะที่เราไปออกปฏิบัติเราทำเพื่อแก้ขัดเพื่อดำลงปกติสุขเป็นผ้าสุขอย่างชีวิตของเราไว้เราก็กำหนดไปที่ต่างๆ ถ้าตรงไหนตรึงตึงตรงไหนเครียดตรงไหนปวดตรงไหนเมื่อยตรงไหนลาตรงไหนมีความรู้สึกผิดปกติอย่างไรเราก็กำหนดไปที่นั่นเอาสติกำหนดไปดูที่นั่นและถ้าเราทาอย่างชีวิตอย่างอันนี้ผมพูดอย่างที่ผมทาอย่างทุกวันเนี่ย ก็เอาจิตกำหนดเข้าไปที่นั่นในที่สุดมันจะค่อยๆ ค, คลายคลายคลายแล้วก็หายไปจนถึงจุดที่เราจะรู้ตัวเองว่าเราทำจนถึงจุดนี้พอสมควรพอสมควรคือสมควรแก่การที่เราจะแก้ไขตัวของเราได้เราก็ออกมา ออกจากกการนั่งสมาธิแต่บางทีก็ทำไปได้ไม่ถึงจุดที่สมควรจะใช้ได้เราก็อาจจะต้องออกก่อนด้วยธุระอะไรบางอย่างที่จะต้องออกอที่ผมพูดถึงตรงนี้เนี่ยผมกำลังจะบอกว่าสำหรับคนที่อยู่กับกรรมฐานเป็นปกติเนี่ยความผิดแปลกทางอุณหภูมิในตัวของคนคนนั้นเนี่ย นิดเดียวหน่อยเดียวมันเห็นชัดหมดเลยและถ้ายิ่งเราทำไปจนทั้งเร า, าปรับความเป็นปกติในสรีละของเราได้เป็นพื้นเหมือนกับเป็นผ้าขาวเหมือนกับคนมีสุขภาพดีอยู่เป็นปกติแล้วอยู่ๆเกิดมีอาการผิดปกตินิดเดียวปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยเจ้าตัวจะรู้เลยครับ เห็นความแปลกปลอมนั้นในทันทีเลยเราก็ถึงเข้าใจอ๋อไอ้นี่แหลนะที่เขาเรียกว่านั่งทางในแล้วก็เข้าใจที่ในในพระไตปิดกบอกว่าพระผู้มีพระภาคทรงเปลื้องอาพาธด้วยกรรมฐานด้วยสมาบัติเป็นกรรมฐานชั้นสูงก็คือทำด้วยอาการด้วยคันลองอย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่ตามๆอย่างนี้ ตีนี้ในถ้าเป็นอย่างในทางการเห็นของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือเห็นความเกิดดับของรูปที่เกิดจากอุตุสมุทฐานที่ดับเป็นขณะขณะได้คือความร้อนที่เกิดขึ้นในชั้นห ย, ยาบๆยบในความเข้มขั้นใดขั้นหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นแล้วก็ความเข้มในขั้นนั้นจางหายไป ดับไปสนิทนั่นเป็นการเห็นความเกิดดับของรูปที่เกิดจากอุตูเป็นสมุดฐานในส่วนที่เรียกว่าความเกิดของรูปเห็นในขณะรูปหนึ่งแล้วก็ความดับของรูปมาเห็นอีกในขณะรูปหนึ่งตรงนี้นะเราก็คงจะพูดได้ว่าเราเห็นกันได้ง่าย และในหมู่ของคนที่ปฏิบัติกรรมฐานมาเชื่อว่าถ้าถึงขั้นนี้แล้วต้องเห็นกันแล้วทีนี้ที่มันยากาไปกว่านั้นก็คือเห็นเป็นขนาดแบบเดียวกับจิตแต่ชะรูปเห็นเป็นขนาดขนาดถ้าถึงขั้นละเอียดเข้าไปยิ่งขึ้นกว่านั้นเนี่ยจิตแต่ชะรูป ก็อยู่ในอุตูชาลูปก็อยู่ในจิตตาเรูปอาหารและชาลูกก็อยู่ในจิตตาเรูปธรรมชรูปก็อยู่ในจิตตาเจรูปตรงนี้ออัตตกถาพูดไว้เยอะอัตตกถาพูดไว้เยอะในวิสุทธิมรต ก, ก็มีในอ่าสัมโมหะวิโนโนตนีมี เอาอย่างนี้ฮะพูดกันอย่างอ้างให้เข้าใจง่ายว่าในขณะที่เรายกเท้าก้าวเดินเนี่ยถามว่าเป็นรูปเกิดจากสมุดฐานอะไรเราบอกว่าเกิดจากจิตถามว่าเกิดจากจิตเท่านั้นหรือในเท้าที่ก้าวเดินไปไม่มีความร้อนหรือความร้อนไม่เกี่ยวของหรือไม่มีอาหารเกี่ยวข้องหรือ แล้วก็ในเท้านั้นไม่มีกรรมไม่จะรูปหรือตอบว่ามันมีทั้งนั้นทีนี้มันจะเป็นรูปอะไรเนี่ยถามว่าอยู่ตรงไหนตอบว่าอยู่ที่การมนุิการถึงส่วนใดก็ชื่อว่าบุคคลนั้นมนณษิการความเกิดดับของรูปขณะนั้นด้วยสมุดฐานนั้น เช่นว่าเรายกเท้าเดินอยู่ในที่ที่ราบเรียบมีอุณหภูมิกำลังดีเราเดินอยู่บนเดินจงกรมนะนี่ว่าเดินจงกรมอยู่บนหนทางที่ไม่ราบเรียบในเวลาเช้าตรู่น้ําค้างกํลาลังตกในฤดูหนาวการย่างเท้าจงกรมของผู้นั้น ย่อมเกี่ยวข้องด้วยอุตุใ จ, จะรูปอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติเมื่อมีไอ้กระแสะเหตุปัจจัยอย่างนี้มันเข้ามาสะ ก, ก, กิดความรู้สึกก็กำหนดเข้าไปในที่นั้นก็อันนี้ก็ใครจะเพ่เพงกำหนดไปที่ไหนเห็นอะไรในขณะใดย่อมอยู่ที่ไอ้แรงจูงใจต่างๆกันที่บุคคลนั้นสามารถจะพึงเห็นแล้วก็นี่ผมพูดถึงอย่าง บางเอิญผมอาจจะค่อนข้างจะคลุกคลีอยู่สองแบบนี้เลยกเลยอย่างค่อนข้างจะเป็นสองสายนี้หน่อยน ะ, ะถ้าเป็นอีกแบบหนึง่งที่ว่ากําหนดความรู้สึกที่เป็นจิตใจรูปละเอียดเนี่ยมันพิเคราะห์เห็นนะบางทีก็เราเนี่ยตั้งมานสิการขึ้นว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้ มันก็เห็นคําตอบว่าออันนี้ที่มีความเป็นอย่างนี้ในเวลานี้เพราะอาหารที่เรากินเมื่อเช้านั้นเป็นอย่างนี้นัตสิการอย่างนี้ชื่อว่ากำหนด อ, อุกำหนดอาหารรูปนั้นโดยความเป็นอาหารแชืูอทันทีแล้วมันเห็นละเอียดมากละเอียดมากกว่าที่ท ธรรมดาเนี่ยนะเห็นเป็นโอ้มันอย่างนี้อย่างงี้แล้วความร้อนเหมือนกันผมเนี่ยผมชอบทำกรรมฐานในห้องแอร์ซึ่งหาสำนักห้องแอร์ยากหน่อยเวลานี้ก็มีสำนักนเป็นห้องแอร์พอไปติดนิสัยมาทีที่หนึ่ง โอ้คือผมเนี่ยผมเป็นคนชอบฤดูหนาวฤดูหนาวเนี่ยผมจะมีความสุขและกระฉับกระเฉงทํางานได้มากทุกปีอยากจะให้หนาวนานๆทุกปีแ ล, ล้วฤดูที่ชอกช้าใจมันคือฤดูร้อนไม่ถูกใจอย่างยิ่งเลยฤดูหนาวนี่เป็นฤดูสับปะยะทีนี้เวลาไปทํากรรมฐานในสํานักที่เป็นห้องแอร์เนี่ยนะฮะ มันได้อารมณ์ดีฮะมันก็ไม่ใช่ดัชลิทอะไรหรอกครับมันเป็นมันเราก็ไม่ได้ตั้งใจมาก่อนนะได้อารมณ์ดีแล้วก็ถ้าเราไปทำข้างนอกห้องแอร์หรือไปทำก่อนที่เขาจะเปิดแอร์เนี่ยมันรู้เลยว่ามันไม่เหมือนกันแตกต่างกันแล้วก็ในประสบการณ์ที่หนึ่งเนี่ย ก่อนหน้านั้นทำาที่ห้องแอได้ผลดีมากผมก็นึกว่าเออไปเข้าอีกครั้งนึกงต้องได้ผลดียิ่งขึ้นปรากฏไปทำแล้วมันสู้ครั้งก่อนไม่ได้ตอนนั้นเราก็ไม่ได้เฉลียวใจอะไรนะเอ๊ะตอนหลังมั น, นสงสัยไม่ได้ทำในห้องแอเลยไม่ค่อยได้ผลนะฮะแล้วก็เวลาไปทำในห้องแอก็ได้ผล ก็ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้มีเจตนาจะพูดให้คนหมั่นไส้นะแล้วจริงๆก็มาอยากตัวเองก็มาอยากจะติดเงอนขอย่างนั้นแต่มันชอบหรือดูหนาวเลยเลยคิดว่าถ้าเราจะทํากรรมฐานอย่างชนิดที่เรายังมีภูมินทรี่อ่อนเนี่ยคงจะต้องหาที่หนาวๆที่อากาศหนาวๆดีนะฮะแล้วก็อาจจะไปอยู่ในสำนักอย่างนั้นก็คงจะต้องหาทำเลอย่างนี้ที่ไม่ต้องไปติดท้องแอร์ พอทำพอได้ที่เข้มแข็งหน่อยอาจจะพ้นจากเงื่อนไขนี้ไปก็ได้ซึ่งไอ้ความหยาบความเปลี่ยนของรูปเนี่ยมันเห็นมันเห็นความหยาบความละเอียดอย่างประจักษ์ใจในขณะนั้นว่ามันไม่เหมือนกันแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนนี่ก็จะเหมือนกันว่ามันอดจะมองไปหาเหตุไม่ได้ ใช่หมฮะเวลาเราทำาเอได้ผลดีเนี่ยเพราะอะไรไม่ได้ผลดีเพราะอะไรเราอันนี้มันเป็นธรรมชาติของการทำวิปัสสนานะฮะแลวก็ต้องว่าสำหรับทุกๆคนแหละมันจะมองไปหาเหตุหาผลเป็นการสร้างลักษณะเหตุผลแน่และ ว, ว่าไอ้ใหม่ๆเนี่ยบางทีมันก็เหตุเหตุผลผิดบ้างถูกบ้างลึกบ้างตื่นบ้างหยาบบ้างแต่นี่คือการพัฒนายานทางนี้ แล้วก็จะเข้าถึงเหตุผลที่ละเอียดละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นไปตามลำดับแหละใครได้ยานสูงก็เห็นเหตุผลสูงเห็นเห็นเหตุผละลึกนิดหนึ่งหน่อยหนึ่งมันก็เห็นก็ไอ้บางทีไอ้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยนานเข้ามันก็ลืมรายละเอียดนะฮะถ้าเราไม่ได้จบไว มันลืมเหมือนกันเวลาเวลาเราจะไปพูดมาทีา่ที่จะลําดับอธิบายอไอ้รายละเอียดมันลืมไอ้เรื่องซอกแซกแง่มุมต่างๆแต่สิ่งที่เราไม่ลืมอย่างหนึ่งก็คือว่าไอ้ความละเอียดของสิ่งต่างๆเหล่านี้นะมันเป็นเรื่องที่บุคคลผู้เจริญสติเข้าไปเห็นได้จริงๆพระพุทธโสดาจารย์เขียนวิสุทธิมรรคไม่ได้หลอกเรา คนเห็นได้จริงๆเห็นเหตุเห็นผลต่างๆได้จริงๆ จ, งจึงทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะควบคุมตัวเองแก้ไขตัวเองได้ก็เพราะมันมองเห็นเหตุเห็นผลเร่องนี้อย่างจริงๆจังๆและเหตุผลที่เป็นความมุ่งหมายของศาสนาเนี่ยไม่ได้มุ่งเอาเหตุผลแค่ตื่นตื่นนี้เป็นสำคัญแต่เป็นเรื่องเหตุผลในสางสา ร, รวัตรเหตุผลในทุกนีน แต่ถึงอย่างไรในเหตุผลแวดล้อมเหล่านี้ก็พลอยได้รู้ได้เห็นไปด้วยทั้งผลรอยได้เหตุผลอย่างเป็นผลลอยได้แล้วก็เหตุผลอย่างเป็นผลมุ่งหมายในทางสูงเราอาจจะไม่ไม่เคยรู้สึกว่าไอ้หัวใจเราเต้นแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่เหมือนกัน